จิตเป็นปริญญาเป็นยคุณเป็นสมเด็จในผมไม่ไว้วางใจหรอกเพราะว่าพระจริงๆต้องเป็นพระตั้งแต่ประสูดาบันขึ้นไปพวกนี้ผมถึจะไว้วางใจถ้าพระแต่งตั้งอันนี้ผมไม่ไว้วางใจนี่พูดกันตรงไปตรงมาจะเป็นพระชั้นไหนก็ตามผมก็ไม่แน่ใจเพราะยังพอใจอยู่ในโลกรธระทนี่อันนี้จะให้ผมไปไว้ใจพระประเภทนี้นักบวชประเภทนี้ผมไม่อ่ะ ข้อใดเพราะว่าผมสัมผัสมามากแล้วบางองค์ก็เลวแสนเลวบางองค์ก็ดียอดดีมีทั้งดีและเลวบางองค์พอเป็นอะไรขึ้นมาหน่อยก็เมาฐานะเมาตำแหน่งหน้าที่ประเภทนี้มันก็ไม่ใช่พระแล้วถ้าเราไปถามพวกนี้เข้าไปายาแก้ผิดไปหมดข้อทีสองความโจทย์กันด้วบัตรนั้นๆเรียกว่าอนุวาธาธิกรโจทย์กัน อย่างกับที่เขาโจดแบบแม่เห็นพระที่มีความดีามากๆก็พยายามทําลายให้เสียหายว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้โจดกันเขาว่าโจดแล้นคุยกันพูดกันพนทนากล่าวร้ายกันท่านเลวอนุวาธาธิกรสามอาบัต ท, ทั้งปวงเลวอาปาตาธิกกร อ, อันนี้ท่านบอกชื่อให้นะ่ะไม่มีอะไร สี่จิตที่สงจะเพึงทำด้วยกิจจิตญาทิกร อ, อาทิกรล้วทำการยิ่งาการกระทำที่ยิ่งยิ่งและใหญ่และทับไม่มีอะไรนี่บอกชื่อเท่านั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องแปลกประหลาดแต่บอกไว้เพียงเพียงว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่จริยาของพระถ้าจริยามันไม่เจริพระแล้วก็เราจะเป็นพระได้ย่างไร อาการที่จะมันออกมาทางวาจาเล็กเลกายนี่มันมาจากใจแต่กิริยาวาจาด้านสองอย่างไม่ใช่กายไม่ใช่พระก็แสดใจไม่ใช่พระเพราะใจมันสั่งให้ทาสั่งใจมันสั่งให้พูดถ้าลงใจไม่ใช่พระเราเป็นอะไรเป็นคนไม่ใช่แน่แล้วโน่นที่เขาเป็นสัตว์นรกเพราะว่าทาตนมันพระมันบาปนี่ก็เป็นสัตว์นรกไป เนี่ยอธิกรณ์ท่านเรียกว่าอาธิกรณ์สมถะวิธีระงรับอธิกรณ์มีอยู่เจ็ดอย่างถ้าเรื่องที่ม่เกิดขึ้นระหว่างพระหรือนักโบวชนี่วิธีระงรับเขามีอยู่เจ็ดอย่างถ้าเราทำเป็นเครื่องระงรับอธิกรณ์สี่อย่างนั้นทั้งสี่นั้นเรียกว่าอาธิกรณสมถะมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งความระงรับอธิกรณ์เรื่องสี่นั้นในที่พร้อมหน้าสง์ ในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมเรียกว่าสัมภคาวินยัยถ้ไอ้สัมภขานี่เขาแปลว่าพร้อมหน้าไม่มีอะไรสองความที่สงสดบรกิกาศให้สมุติแก่พระอาหารหันต์ว่าเป็นผู้มีสติี่สติเต็มที่จะรอสติรอให้แล้วถ้าไปเล่นสติพระอาหารหันต์เขาเราลงเอเวจีบอกไม่ถูกเลย เป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อไม่ให้ใครโจด ท, ท่านด้วยอาบัตเรียกว่าสตินัยนี่เป็นอันว่าท่านดีเป็นพระลรหันสงสุดประกาศสมุดให้แก่พระลหันหมายความประกาศกันว่าพาระละหันเนี่ยไม่มีอวบัตเลิกแล้วเป็นข้อยกเว้นทั้งหมดจะไม่ปรับอะไรกับท่านและพระลรหัน ถมีจิตเป็นบาทที่ไหนได้ก็มีคนที่เขาเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกเลยเขาชอบปรับโทษพระรหันก็อะไรเพราะไม่เคยเห็นพระรหันไม่รู้ว่าท่านเป็นพระรหันหรือว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านไม่เลวเท่าตัวเกยดา่าท่าที่ก็อยากไม่เลวเท่าฉันนี่ความข้อนี้เดี๋ยวท่านสสายาอย่าสงสัยข้อยังไงท่านบอกว่า ความที่สงสุดโดยกาสสมมติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่คือมีสติสมบูรณ์เพื่อไม่ ใ, ใครโจทย์ท่านด้วยอบัติเรียกว่าสติวินัยนะท่านไอ้ชีว่าอย่างนั้นนะอ็สามความที่สงสุดโดยกาศสมมติแก่พิสุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไมใ่ใครโจทย์ด้วยอบัติ ท, ที่เธอทำในเวลาเป็นบ้าเรียกว่าอโมราหบินไนนี่พื้นเข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าวิสุทธิที่เป็นบ้าน่ะสึกเขาไม่ได้ปรับอบัิไม่ได้พระพุทธเจ้ายกให้เพราะเป็นผู้ขาดสติสมัญญะถ้าไปจับสึกก็ไม่เป็นอันสึกถ้าไปทำอะไรก็ไม่เป็นอบัิอันนี้ทั้งนี้ต้องเป็นบ้าจริงๆถ้าแกล้งบ้านี่ไม่ได้พดีแกล้งบ้านี่มีเยอะ อย่าไปแกล้งบ้าเขานะต้มบ้าจริงๆเวลาที่บ้านนี่ท่านจะไปฆ่าคนตายสักกี่ร้อยคนก็ตามไปทําอะไรก็ตามจะไปโทษไปปรับประบัติท่าไม่ได้โมพอหายแล้วบอกนี่เวลาที่แกบ้าจะทําอย่างั้นอย่างนี้ไปฆ่าคนเขาบ้างอะไรบ้างไม่ได้เนี่ยเพราะว่าท่านไม่มีสติพอแม้ทางกฎหมายเขาก็ให้ยกโทษแทนเหมือนกันให้อภัยคนบ้านี่ดีอย่าง ไม่มีโทษทางกฎหมายไม่มีโทษทางมีไหนแต่ว่าพยายามบ้าเลยเขาดีไม่ได้ข้อทีสี่ความปรับอัมบัติตามปริญาของจําเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกว่าปฏิญญาตกรณนะถ้าถามแล้วจําเลยรับสภาพเรียกว่าปฏิญญ า, าติสารแต่ปฏิญญาตกรณนะก็ไม่มีอะไรข้อทห้าความตัดสินเอาตามอํำนาจ ของตนมาเป็นประมาณเรียกว่าเยผุยยาเยผุยยาสีกาความตัดสินเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณไม่ใช่ตนนะการตัดสินเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณหมายควาคนมากเอาเสียงเข้ามากยามประชุมสภาเราสมควรยังไงเนาะนี่เราควรจะปรับอัตบัติแบบไหนจะลงโทษแบบไหนในที่ประชุมเห็นพร้อมกันว่าเป็นอย่างนี้ แต่นั้นที่ประชุมนั้ไม่ใช่เอาตาศีตาสามาประชุมนะต้องเอาคนที่มีความรู้มาประชุมแล้วคนที่ทรงธรรมเรียกว่าเยผุยสิกาอันนี้เขาบอกชื่อเท่านั้นผมก็นํามากล่าไวไว้ประเดี๋ยวถ้านอย่าสงสัยหกการลงโทษผู้ผิดเรียกว่าตัดสะปาสิยสิกาเจ็ดความให้ประนีประนอมทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องชำระความเติมเรียกตินวัฏฐารณวิ น, นัยสีข้าบทนอกนี้ที่ยกขึ้นมาเป็นอรรมบัตรทุน่งใจบ้างทุกกฏบ้างทุกพาสิบบ้า ง, างเป็นสีข้าบทที่ไม่ได้มาในก็ปฏิโมกข์ใช่ไหมอย่างนั้นนี่พระวินัยที่เราจะต้องพึงปฏิบัติไม่ใช่มีแต่เท่านี้ยังไม่อีก ในแต่ตอนต่อไปผมก็จะนำมากล่าวเป็นตอนตอนไปถ้ามีโอกาสถ้ามี้เพราอะไรเพราะว่าจะให้ท่านหนึกงทั้งหลายได้เพื่อศึกษาแต่ผมก็คิดว่าเท่าที่สังเกตมาตั้งแต่ต้นเพียงแค่ที่มาในพระปฏิโมกนี่ก็ารู้สึกว่า ย, า ย, ยําแย่กันเต็มทีแล้วแต่ถ้าว่าถ้าใครรู้ตัวเป็นอมัตะวราชิกรีบถอนตัวออกทันที ไม่อย่างนั้นจะมีเอเวจีเป็นที่ไปถ้ารู้ตัวว่าเป็นอมาตย์จึงคาิเสดรีบสแสดงตรนกับพระสงฆ์กับคณะสงฆ์เสียบอกอมัติความผิดที่ตัวทำํำเมื่อสงฆ์ยับยั้งแล้วก็บอกว่าพระสงฆ์สาธุแล้วให้สั่งแนะนําเธอว่าจงอย่าคิดอีกอย่าทําอีกอย่าพูดอีกเธอก็ตั้งใจปฏิบัติตามนั้นถ้ามีโอกาสก็อยู่ปฏิวัติกรรมเพื่อความเป็นพิสุที่บริสุทธิ์ ถ้าคาว่าเป็นอําบัติตำไปกว่านั้นก็ต้องระไกรจตงบอกความผิดของตัวแล้วก็ให้ปริญญา ว, ว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นอีกความชั่วนั่นก็จะยับยัง้งเรียกว่าสแสดงอัมบัตให้สแสดงอัมบัติที่เรียกว่าสัพาาพาตาปฏิโยโรเจมิท่านพูดกันแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดไปทรงเดชแบบคล่องเลิกคําดีกว่าเพราะที่สํานักนี้ไม่ต้องการพิธีกรรม อะไรก็ตามทํากันเป็นแค่เป็นพิธีครูบายใจงกันทากันมาแบบนั้นฉันก็ทําไปมันจะมีผลเป็นแบบการใดก็ไม่สําคัญอย่างนี้อย่าทำที่นี่ไม่ต้องการต้องการเสี่งเดียวที่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ที่นี่ต้องการอย่างนั้น แล้วข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความเมาในลาบความเมาในยศความเมาในสเสริญความเมาในสุขที่นิยมโลกกระทจงอย่ามีในสำนักของเราจงถือตัวไว้ว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ข้อนี้ต้องทะนงตนให้หนักผมสอนให้คุณทะนงผมสอนให้พวกคุณยิง ในความเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราท่านลงเราหยิ่งในความเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสาวกไม่แปลว่าผูร้รับฟังอีกศัพท์หนึ่งท้าเรียกว่าสากยบุตรพุทธกินโนรสที่หมายความว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่เป็นสากยาบุตรพระพุทธเจ้ามาจากตระกูลสักกายาราชเนาว่าสักยบุตรหมายความว่าเป็นเราเป็นลูกของศักยะ กากขยบุตรพุทธจิโนโรสพุทธชิโนโรสเราเป็นโอรสของพระพุทธเจา้าเราเป็นลูกพระพุทธเจา้าเราจงต้องยิงในฐานะของเราเราต้องมีความทนงในฐานะของเราการยิ่งการทนนงเราทำอย่างไงเราก็ปฏิบัติตามคำสอนทุกอย่าง ไม่ใช่ยิงแบบชาวบ้านธนงแบบชาวบ้านแบบฉันดีกว่าแกแกเร็วกว่าฉันฉันเสมอแกแกดีกว่าฉันอะไรพวกนี้ไม่เอาอย่างนั้นยิงในข้อวัดปฏิบัติคือปฏิบัติ ต, ตามแนวคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวนวรสัมม า, าสัมพุทธเจ้าทุกอย่างอย่างนี้ได้ว่ายิงในฐานะที่เราควรจะเพึงยิงอารมณดาเพื่อนซาธรรมิกะ สำหรับสี่ขาบทที่มาในพระปติโมกข์ที่บันทึกไว้ในตอนต้นต้นรู้สึกว่ามันกระพ่องกับแท่งเต็มทีต่อไปก็จะแก้ไขาใหม่นั่นก็อย่าลืมมือสี่ขาบที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมยายสาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าสน้นตัดใบไม่มีเท่านี้ยังมีอีกในโอกาสหน้าจะนำมากล่าวให้ท่านทราบจะได้วนไปวนมาเพื่อรับฟังแล้วก็จะนา พระราชาเมญจัตตปกครองนะ้นสงที่ควรจะรู้โดยเฉพาะอย่างแล้วก็กดมหาเทรสมาคมมาให้ท่านรับทราบไว้ว่าเขากล่าวเขาไว้ยังไงบ้างแล้วท่านจะได้รู้ว่าพระสังฆาธิการที่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ชั้นปกครองคนเขาจะต้องปฏิบัติแบบไหนใครปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกเราเองควรจะปฏิบัติแบบไหน ไม่ใช่ก็อยู่อยู่แล้วก็ใครเขาเป็นตำแหน่งอะไรเขาจะเอาความรู้เอาก็ตำแหน่งมาข่มขู่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นี่ผมมีให้ท่านรู้ไว้เพื่อสู้กับความชั่วของบุคคลที่ไม่รู้ตัวว่าชั่วเอาล่ะสำหรับวันนี้สัญญาณบอกบทเวลาก็หมดแล้วปรากฏแล้วก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านจงระมัดระวังในด้านพระวินัยให้ดีอย่าประมาทในพระวินยัย ถ้าท่านผิดพลาดหนักมาไอใดจงรู้ตัวว่าท่านไม่ใช่พระไม่ใช่ปูชนีและบุคคลแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ควรจยาะทรงผ้ากาสาวพัตไว้ด้วยสวัสดีแต่ทั้ง น, นี้ก็ขอเตือนบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัตร้รอนทั้งวิสุทธสมนเนรทั้งหมดว่าการที่เราจะทำจิตให้เป็นสมาธิก็ดี จะทําจิตให้หมดจดจากกิเลสก็ดีตอนนี้ก็ต้องอาศัยจิตของเราเป็นจิตที่มีระเบียบคำว่าระเบียบก็คือสินสินนี่แปลว่าปกติในกฎที่เราจะพึงรักษาสำหรับครวดปกติพระพุทธเจ้าใช้ทรงรักษาสินห้าให้เป็นปกติ สำหรับครวัตก็ยกผิดขึ้นสู่เป็นกาาวาจรเรียกว่าเป็นพระโยคาวาจรพิเศษคือถือธรรมจันทร์ก็มีสินปเป็นปกติสำหรับสมณี น, นมีสินสิเป็นปกติเรามีเสทิญาวัตี่เจ็ดสิบห้าสำหรับพระมีสินสองรอยี่สิบเจ็ดนอกจากนั้นให้ทั้งหมด จะต้องเคารพในกฎหมายและระเบียบประเพณีทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่สินอย่างเดียวแล้วเราเอาดีได้ระเบียบอย่างอื่นที่เป็นที่นิยมของคนเผ่าใดเผ่าหนึ่งเขตไใดเหตหนึ่งเราก็ต้องยอมรับนับถือเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่รู้อะไรมันดีหรือไม่รู้อะไรมันชั่ว สิ่งที่ชั่วเราเข้าใจว่าเป็นความดีแล้วความดีที่เขาพูดปฏิบัติกันเห็นว่าเป็นการบีบคั้นเกินไปสร้างความลําบากเพื่อเราสแสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงความดีการที่จะเจริญสมาธิกรรมาฐานมิปสนากรรมาฐานทํำยังไงก็ไม่มีผล เมื่อจิตขอเราประกอบเพราะด้วยอกุศลคือความชั่วเข้ามาสิงใจนสมักความดีของคนก็คือคนที่รู้จักพอดีรู้จักระเบียบรู้จักระเบณนีรู้จักกฎหมายรู้จักข้อบังคับรู้จักปฏิบัติตัวให้เหมาะให้สมคนเลวอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อน เราไม่พบระเบียบประเพณีเข้าๆคนเลวไม่ปฏิบัติตามไม่พอใจในกิตนั้นบอกจะอ้างเหตุผล ต, ต่างๆ่าในแดนนั้นแ็นไม่ได้ขอบเขตใงการกดขีบ่บังคับแต่ว่าสำหรับคนดีก็ยมนยอมในระเบียบนี่เป็นเรื่องสำคัญที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคำว่าพุทธบริษัทหมายถึงพระแห่งในทิมรนดาอุาสกบาิบากาทั้งหมด พุทธบริษัทแปลว่าเราเป็นพวกของพระพุทธเจา้าถ้าเรามีจิตเลวไม่ศึกษาะระเบียบประเทณีทรรมระเบียบก็คือศีลและกฎข้ อ, ขอบังคับประเพณีเป็นสิ่งที่มวลช น, นเหล่านั้นและคนโบนัณนิยมปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณในการไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติถือความโง่เป็นสําคัญ ถือความดื้อเป็นสาคัญอย่างนี้ก็ดแสดงว่าศีลไม่มีสมาธิเกิดไม่ได้กพราำว่าศีแลแปลว่าปกติก็หมายความว่าเรามีศีลก็คือเราทรงความดีเป็นปกติเข้าในพรมบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าสัพ ป, ปาปัสสะกรารนัง่งขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างเราจะไม่ทำคือการฝ่าฝืนระเบียบภายใน การป่าฝืนกฎหมายการฝ่าฝืนหลักเกณฑนี่เราไม่ทําด้วยการฝ่าฝืนความนิยมของหมู่ชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าประโยคาวจรจึงแปลเป็นใจความว่ามีความประพึติขาประกอบหาความเป็นผู้เป็นเสด็จอย่างนี้ต้องรู้ตัวกันไว้ ถ้าเราทำไม่ดีไว้ก็ริษอานตัวเสียอย่าปล่อยความไม่ดีให้มันจมอยู่ในใจของเรานั่นหมายถึงว่าเราจะเข้าถึงอบายภูมิความจริงในเขตของเรานี่ก็รู้สึกว่ายังมีจุดจุดบกพร่องกันอยู่มากไม่ใช่เล็กน้อยยังมีอยู่มากอย่าทะนงตัวกันวันดีใจของเราเรารู้ อารมณ์ของเราเรารู้จิตเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความดีหรือความชั่วพระพุทธเจ้ากล่าวว่ามโนปุพังธรรมามามโนเสรษามโนยมญะทำทั้งหลายมีใจไปหุนหน้ามีใจไะเสดสุดสาเร็จในใจนี่ขอให้ทุกท่านพยายามควบคุมใจของท่านไวให้ดีอย่ารู้อำนาจแก่ความอยาก อย่าประพฤตินอกวีธิ์นอกรอยถ้าเป็นไปตามระเบียบนี่เป็นอันดับแรกสําหรับทั้งฆราวาสและพระต้นเดินเหมือนกันทั้งหมดเป็นอันดับแรกที่เราจะรู้ว่าเราดีหรือว่าเราชัว่วการประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงตัวให้ตั้งอยู่ในความดีที่เรียกสมบ่บาวสมรติกวัณณารือปัสนาภาวนาเราเข้าถึงได้อย่างดูความประพฤติความปฏิบัติของเรา แล้วก็ดูอารมณ์ใจของเราวกฎที่เขาตั้งไว้เป็นระเบียบนี่ยเรานิยมในการฝ่าฝืนแล้วเราคิดว่าเรานิยมในการปฏิบัติตามนี่เป็นปกติถ้าหากว่าเราอยารู้สึกว่าระเบียบแบบแผนข้อบังคับที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไปเรดีความนิยมข้องของประเพณีที่เป็นปกติก็ตาม แล้วระเบียบข้อหมู่คณะที่ตั้งคิงกูดียังเป็นเครื่องขับแซงสาหรับเราโจมึกรู้จักตัวเรายังอยู่ในเขตของอาบายภูมิไม่ใช่ในเขตของมนุษย์และกามาวาจรสวรรค์นี่เป็นอันดับนหนึ่งแลอันดับที่สององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําว่าการที่เราจะเอาดีต้องเว้นจากกีรชานคาถา ปีลาชานะแระวะขวางคาถาแระ ว, ะวาจาเบื้องเก่าวหมายถึง่ารทำผู้ดีเก่าวภาพจริงด้นหน้าของกิเลสที่ปรารบความรักคือความสวยสดงดงามความปรารกความโลภในแื่ความร่ำรวยปรารกความโกรธในกายที่ประทุสลายปรารกความหลงในแา่การท น, นงในตัวเองไม่พิจารณาหาความจริง ในกายธรรมะติระฉานาคาถาเนี่พูดหมายคืภาดทิ้งทิ้งอย่างนี้เป็นติระฉานาคาถาถ้าบุคคลใดยังพอใจในติระฉานาคาถาชอบพูดเองก็ดีชอบฟังก็ดีชอบนำมาที้ก็ดีแสดงว่าจิตของเรานี้ยังพอกพูนไม่ไดกิเลสมากความชั่วยังมีน้ำหนักสูงเรายังเอาตัวไม่รอด วั น, นี้คาถาวาจาไปเครื่องกล่าวประเภศใดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องก็นั่นแก่การวาจาที่กล่าวก็เป็นการตัดโลภความโลภตัดความาะ ค, ความรักตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจิตตรองและกล่าวกันเฉพาะปณิพาน์เป็นปกติ ว่าเราทำยังไงเราจรึงจะทำจิตใจของเราเข้าถึงสนนิพานเวลานี้อารมณ์ของความรักเพรูปเสียงกลินรสสัมผัสอันเนื่องดีกามารมณ์ของเรายังมีหรือเปล่าถ้า ม, มีแล้วเราจะตัดด้วยวิธีไหนให้เราคุยกันแบบนี้ความโลภทะเยอทะยานการอยากรวยโลภในลาภโลภในการกินโลภในสถานที่อยู่ โลภในหมู่คณะติดหมู่ติดคณะอย่างนี้เนี่ยมีในจิตของเราหรือเปล่าเดิมทีเดียวเราปฏิบัติยังไงเวลา น, นี้อาการความดีของเราเปลี่ยนแปลงเปนแบบไหนต้องมีผู้บังคับบัญชาจากเตือนเรามากแล้วเปล่าถ้ายังมีผู้บังคับบัญชาจากเตือนเราก็จะเชื่อ ว, ว่าเรานี่ยังเลวอยู่ก็ราอะไรเพรดีแล้วไม่มีใครเขาเตือน แล้วก็ต้องปรารบเฉพาะอารมณ์ผลิพานการเข้าทำจิตให้เข้าถึงผลิพานเป็นของไม่ยากหนึ่งเห็นโทษของความรักที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเตโซโกปียโตชายเตไปอยังใัยอันตรายเกิดจากความรักหรือความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักนั่งนึก ด, ดูก็แล้วกันชาว บ, บ้างเขาตายกันมากีคน ยี่ร้อยยี่พันชาวบ้านมีความทุกข์ยากลําลบากกันมาเทา่าไรแล้วชาบ้านก็เสียหายเท่าไรเราไม่มีความรู้สึกไม่มีความสะเทือนแต่ว่าคนที่เรารักของที่เรารักหรือตัวเราเที่เรารักถ้ามันมีอันตรายเกิดขึ้นบางทีถูกระเบียบที่นายบีบคั้นเขนิดหนึ่งซึ่งเรามีความเร็วม า, มากในอดีต ก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างความคัดแค้นให้เกิดขึ้นกับใจอย่างนี้จับตระเวทลมของความเร็วนี่อวัยวุมเป็นเจริญนาณาคาฉาณจิตเจริญานจิตคือคิดในด้านขวางขวางนี่ถ้าเรานิยมผลิพานจริงๆแล้วก็มุ่งหาทางแตกความรักว่าความรักมันเป็นขอ เราจะรักทั้ประโยชน์อะไรการประทับประครองร่างกายทำกิจการงานเราทำตามหน้าที่ในกายงานทุกอย่างเราจะทำเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ใช่เพื่อส่วนตนเราไม่รารบตนเป็นสาคัญเรารับรบสาธารณประโยชน์เป็นสาคัญทั้งนี้เท่าะอะไรตัววงานที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นงานเสียสละเป็นการทาลายความโลภ ไอ้ความโลภขงใจที่มันจะพ่อคูนทรัพเขามาเนี่ยมันถูกตัดออกไปมีอย่างเดียวตั้งใจใเป็นส่วนสนาธารณะประโยชน์เห็นใครเขามีทุกข์อยากจะช่วยเขามีสุขนี่เป็นเมตตาบารมีแล้วก็เป็นสั ง, งหาวัตถุตัวนี้มันเป็นอะไรตัดมัชริยะควารรมดีทำลายความโลภห้สิ้นไป ถ้ารมเกิดความรักขึ้นมาในวัตถุหรือบุคคลหรือส่กว์ตามก็ยังคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอาการไม่เที่ยงมีความแรปรปรวนเป็นปกติต้องมีการสลายตัวไปในที่สุดเราก็เหมือนกันจะไปติด เ, เพื่อประโยชน์อะไรมีของไว้เพื่อใช้ใช้แล้วคนแล้วคนไปเมื่อมันจะต้องสลายตัวถ้าเป็นสมบัติของเราเราก็ไม่คำนึงถึงมันถือว่ามันเป็นกฎธรรมดา แต่ว่าถ้ายังมีอยู่เราก็รั ก, ากษกาพื่อป็นกายทรงไวเสื่อความสุขในปัจจุบันถ้าเราไม่มีของใช้มันก็มีความทุกข์แต่ว่ามันสูญเสียไปหาไม่ได้เกินมิใัยที่เราจะยับยัง้งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่โกรธใจไม่หวั่นไหวนี่ได้ของความโกรธเราระนับเบติมหน้ามตตาจิตถ้ามีตาจิตเขาหมุขขดคนใดมีสิ่งก็มีทายกบริบูรณ การละเมิดศีลไม่มีการลเมิดจริยาวัดเมื่อตามแรบเผนนี้และตามกฎหมายก็ไม่มีการคำสั่งก็ไม่มีไม่ละเมิดเพราะราไรก็เมื่อมีภูมิหานสีนี้ไม่ตามบรมีเป็นสําคัญในข้อนี้องค์สมเด็จพระทรงทันถิ้ว่าการกําจัดโทสะเด้วยน้าไม่ตามบรมีแต่ความจริงเรามีไม่ตาตัวเดียวศีลทั้งหมด พบทุนบริบูรณ์การละเมัดระเบียบประเพณีที่ดีก็ไม่มีอารมณ์เร็วๆไม่เกคยกับเราการความโลภที่จะเยอะแยะทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็ไม่มีการจะสร้างความรักนอกนี้นอกรอยไม่ก็ไม่มีการจะทรงสมาธิิตก็ส่งได้สบายแล้วการเจิะมีปัจจัยงานยิ่งง่ายใหญ่ทั้งนี้พ่อะไรเพราว่าถ้าเรามีไม่ตามเรามีเป็นปกติ อารมณ์คุณเมตตาเราบารมีครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อไรใจก็มีแต่ความสุขการจะกินการจะอยู่การจะใช้เข้าใช้ของก็มองหน้ามองหลังอยู่ตลอดเวลาเราคนอื่นเขายังไม่ได้กินเรากินไม่ได้คนอื่นเขายังไม่มีเราก็จะทำลายไปใช้ไม่ได้ของนั้นหลายเหล่านั้น จิตใจมนคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงสบายเขาจะมีความสุขเราเป็นคนไม่เอาเปรียบใครก็เมตตาความรักมีอยู่แล้วมันเอาเปรียบไม่ได้มีคนที่มีเมตตาแบบมีตัวเองมีความสุขตลอดเวลาเพราะสายการสงเคราะห์เป็นสังขาวัตุจัดว่าเป็นสเสน่ห์สำคัญ เป็นเยื่อใยผูกจิตใจเขาผูกคนอื่นให้ตกอยู่ในน่านของความรักแต่ความจริงเราไม่ต้องการแบบนั้นสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือเราต้องการความเยือกเย็นของจิตไม่ต้องการจิตให้เราร้อนนิ่งเมตตาตัวเดียวในเมื่อเรามีเมตตาเรามีครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจิตใจมาสบายสินบริสุทธิ์ เมื่อเมื่อสิ้นบริสุทธิ์แล้วทหารว่าเราจ ะ, จะเจริญวิปัสสนาญาณบรรดาท่านทั้งหลายควณจะสร้างความภูมิใจไว้ได้เลยว่าวิปัสสนาญาณใ น, นความจริงเป็นของง่ายไม่ใช่ของยากถ้าเรามีสมาธิจิตมั่นคงจริงๆสมาธิจิตกับสิ่นี้สำคัญมาก เพระว่าการทำลายโลภความโลภจิจไม่ถลีมีความสำคัญอารมณ์ที่ทำลายความรักมีความสำคัญฉะนั้นในด้านสมถะภาวนาเนี่มันทำลายหมดทำลายความชั่วตัวหยาบหมดมีกำลังมากจากความชั่วตัวหยาคางกรงตีซยจนเกลียจึงก็ดิบเนื้อก็ดิบตัวไม่ไหวนั่นก็ได้กระราคาเฉิี เราก็ทำลายด้วยอำนาจของอาสุขประกรรฐานสิบและกายและตาโนสติอีกหนึ่งในอารมณ์แบบนี้เราประจำใจของเราเป็นปกติเราเห็นอะไรมันก็ไม่สวยไม่งามเป็นส้าเป็นตบไปหมดตามความเป็นจริงอารมณ์ก้นโรสาเจริกแล้วก็มีพรหมวิหารสี่ ว่ากับสนสีได้แก่กับสีสเขียวสีเหลือวสีดาวสีแดงสีขาวอย่าไปวองดูตัวอย่าไปหลงตัวเราเป็นคนเลยบวชมานานแล้วเกิดมานานแล้วดีพอถ้าดีจริงๆไม่ต้องมีใครเขาเตือนนี่ความทั้งหมดเรามันทำได้ไหมทำไม่ได้เราอายนี่ อายชั่วแล้วกลัวคนเขาคว่างชั่วนี่เราไม่ทําความชั่วทั้งหมดเราเป็นเทวดาเกาะเทวดาให้มันติดให้ติดมันติดทีกับพ่อหลวงเทวดาเท่งนั้นความชั่วไม่ทำํำเราตั้งใจจะเป็นเทวดาหให้ได้อันนี้เราเมาเป็นเทวดาได้แล้วเป็นยังไงละ่ะถ้าคนเขาได้เจโตกฤติ ย, ยัยเข้าเห็นเลยเห็นปั๊บเราข้างล่างกายภายในเป็นเทวดา ในิจใจของเราเองถ้าเราไม่ได้เจตสุปัจติยานเราจะรู้ยังไงว่าเราจะเป็นชั่วดาได้ไม่เป็นหรือเป็นไม่ได้ดูกําลังใจของเราความดีทุกอย่างทุกส่วนทำหมดได้ปลายกฏว่าโอโ้โหมันเต็มตื้นไปด้วยกําลังใจเพราะมูลบริบทไม่มีอะไรที่จะขัดขวางกาลังใจแม้แต่นิดเดียวทำทุกอย่างทุบ